ในหลักของพุทธศาสนาคนขี้เกียจมักอ้างว่าหิวนักกระหายนักไม่ทําการงานร้อนนักหนาวนักไม่ทําการงานฝนตกแดดออกไม่ทําการงานมันมีทางออกอะไรทั้งนั้นอ่ะเพราะคนขี้เกียจนะไอ้คนขี้เกียจก็ต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นถ้าคนขยันแล้วก็ไม่ได้เลือกพร้อมที่จะ ทำการทำงานพร้อมที่จะทำความภาคความเพียรได้ทั้งนั้นเพราะนั้นขอให้พระใหม่ทั้งหลายนะต้องใช้ความอดทนเป็นพื้นฐานต้องใช้ความอดทนเป็นที่ตั้งขนาดหลวงพ่ออายุกแก่กว่าพวกท่านทั้งหลายหลวงพ่อก็ยังอดทนหลวงพ่อไม่ใช่ว่าจะปิดหนีไปที่ไหนอยู่ในวัดเดียวกันแต่เวลาเดินเน่ต้องระมัดระวั ง, งหน้าระมัดระวังในการเดินถ้าหกล้มเข้ามาแล้วไม่คุ้มค่ากันถ้าจะเดินไปพรีาพาม ปรุง ป, ป, ป, ปรับไม่ได้นะถ้าไปแล้วก็ต้องดูดูซะก่อนมันน่าจะรื่นไหมต้องขยับขยับดูซะก่อนถ้าไม่รื่นก็ยังค่อยเดินทํามันรื่นแล้วก็ขยับไปที่อื่นทําด้วยความมั่นใจซะก่อนยังค่อยเดินถ้าว่าเราเดินโดยไม่มั่นใจหกล้มลงไปขาหักแขนหักเราไม่คุ้มค่านะเสียสุขภาพตลอดชีวิตนะเพราะฉะนั้นอย่า ทำอะไรให้ระมัดระวังในการเดินหลวงพ่อเองหลวงพ่อก็ระวังเหมือนกันนะระวังอย่างมากๆอีกต่างหากแต่บางครั้งก็เกือบเหมือนกันแหะแต่ที่ผ่า น, านมาว่างั้นแนตะ่ ว, ว่าก็ใช้ความระมัดระวังนั่นแหลยเพราะนั้นของพระใหม่ทั้งหลายที่หลวงพ่อพูดทางนี้ก็ให้พวกเราท่านทั้งหลายเดินอย่าไปเดินแบบไม่ระมัดระวังไม่ได้แต่ช่อง กลางถนนที่หลวงพ่อทําันก็สำหรับทําเป็นตุ่มๆขึ้นมาในขณะให้พวกเราเดินตามช่องกลางนั่นน่ะมันไม่เลื่อนหรอกแต่พอเดินไม่ระมัดระวังไม่ได้นะอันต ร, รายทีเดียวน่ะพอดินฟ้าอากาศฝนตกที่จะขีดตะไคร้มันจับน่ะนั่นน่ะอันตรายต่อการเดินของพวกเราแล้วก็วันพรุ่งนี้เป็นวันอาสาหะบูชานะวันอาสาหะบูชา วันมะรืนนี้เป็นวันเข้าพรรษาคิดว่าทุกอย่างก็คงจะพร้อมแล้วก็วันพรุ่งนี้ใส่บัตรในวัดวัดพรุ่งนี้นะรับอาหารในวัดแต่วันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาน่ยวันวันที่8พวกเราจะเตรียมพร้อมเพราะยังไม่เข้าพรรษาตอนเช้านะแต่จะเข้าพรรษาตอนเย็นวันที่8ดเราจะรับบิณฑบาตข้างนอกอยู่ เพราะนั้นพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมที่จะมาตักบาตรในพรรษานี่ก็แต่โดยตามปกติพระก็ไม่มาฉันพร้อมกันหรอกคงจะขาดบางวันก็เก้าองค์บ้างสิบองค์บ้างสี่ห้าองค์บ้างสิบกวองค์บ้างโดยมากพระจะไม่ค่อยฉันพร้อมกันแต่คณะศรัทธาญาติโยมผู้ที่จะมาใส่บาตรกันเนี่ยเตรียมที่เป็นพ่อแม่ของนาคที่ยังไม่เคยเข้ามา หรือศรัทธาญาติโยมที่จะมาตักบาตรก็นั่นะใส่บาตรนอกวัดตั้งแต่วันที่แปดกรกฎาเป็นต้นไปคือท่านถือธูดงธูดงขวัตข้อหนึ่งไม่รับอาหารที่ตามส่งมาภายหลังอันนี้คือธูดงขวัตเตรษสะธูดงสิบสามมีอยู่สิบามข้อฉันในบาตรเป็นวัดฉันหนเดียวเป็นวัดนั่งอาสนะเดียวเป็นวัดอย่างนี้ สรุปแล้วก็คือพระพุทธเจ้าท่านให้เป็นผู้มักน้อยสันโดษไม่ให้เป็นผู้โลภโลเลในอาหารจนเกินไปลักษณะอย่างนั้นนะก็ฉันมือเดียวฉันอาชนะเดียวนี่แหละแล้วกันถึงสิบสามข้อให้พวกเราไปศึกษาดูว่าเตระสะทุดงสิบสามนั้นคืออะไรแต่ถ้าว่าผู้ใดไม่รักษาทุดงก็ไม่ได้ปรับอาบัตศิลไม่ขาดสิสองรอยี่สบเ็ดไม่ขาด แต่ว่าถ้าใครรักษาได้ก็เป็นเครื่องขัดเกลวอ่าเป็นเครื่องชำระกิเลสราคะโทสะโมหะมาธุรงสิบสามเนี่ยเพราะนั้นพวกเราก็ยึดแดวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านพาประพฤติปฏิบัติมาพวกเราก็ทำตามนั่นและแต่ก็คณะสัทธ า, ญญาติโยมในพรรษานี้หลวงพ่อเองพูดแล้วย้ำแล้วย้ำอีกทุกปีที่ผ่านมาและก็ปีนี้คงจะย้าอีกเหมือนกัน ขนาดพวกเรากล่าวโนโมบางทีก็ยังผิดผิดถูกถูกฮะนับพุทธังธรรมังบางทีหลวงพ่อให้พุทธังธรรมังสังฆังยังไม่ครบอีกต่างหากยังหลงหลงลืมลืมเหมือนกันครัเพราะนั้นคณะสัทธายาตโยมก็เหมือนกันนั่นแหะปีทั้งปีผ่านมาเนี่ยปีนี้เราจะตั้งความสัตด์จริงในใจของเราอะไรบ้างอันนี้นก็ควรจะมีความสัตด์จริงคุยความจริงใจคือมีศักเจรคือความตั้งใจ ว่าในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะทำอะไรที่เป็นกิจกรลักษณะที่เป็นการฝึกฝนกายว า, ายใจใจของเราเหมือนกับพระที่ท่านถือธุดงขวัดอย่างที่หลวงพ่อได้พูดน่นะเตรษสะธุดง13สิบสามเราจะไม่รับอาหารที่ตามส่งมาภายหลังอันนี้ก็คือท่านจะรักษาตามปกติก็หลายข้ออยู่แล้วแต่นี้มาเพิ่มเพิาออีกข้อหนึ่งแตนี้ขา้ารัศดาญาติโยมน่ หลวงพ่อวันหน้าจะมีความสัตย์จริงกับตนเองนี่ไล่หลายอย่างออันไหนที่เราทํายังไม่ได้อย่างงดสุราในพรรษาอย่างนี้อันนี้เราก็หงดอย่างจริงจังแต่พอออกพรรษาแล้วเบิกถอยหลังอันนั้นใช้ไม่ได้นะเอพอออกพรรษาเสร็จแล้วก็เนี่ยเกาะเกล้าเข้าไปยิ่งมากกว่าตะกร อ, อีกนะอันนั้นบอกเบิกถอยหลังอันนั้นแปลว่า ไม่ใช่พุ้มขัดเกลาถ้าผู้ขัดเกลาก็ต้องพยายามถอยถอยไปเรื่อยๆให้เราเห็นโทษว่าการดื่มสุรานั้นมันมีคุณยังไงมันมีโทษยังไงทำไมเราจึงดื่มเราต้องมองพระพุทธเจ้าให้ใช้ปัญญาให้ใช้ปัญญาคข้กวนทบทวนว่าการดื่มสุรานั้นมีคุณค่าอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรทำไมเราจึงเป็นทาสของมึนเมาอย่างเนี้ย เราต้องคิดพิจารณาดูให้ดีคนดื่มสุราเห็นไหมเสียการเสียงานเสียบุ ค, คลิกไปมากต่อมากเพราะขาดสติขาดการยับยัง้งแต่เราเห็นคนอื่นเราดูดูแล้วก็บางทียังทุเล็ดทุลังอีกต่างหากเป็นนอนอยู่ข้างถนนพอมเมามากๆไม่รู้ว่ารถจะเหยียบอะไรไม่รู้หลวงพ่อเคยเห็นหลายครั้งแล้วเราล่ะ เห็นตัวคนอื่นเมาไปยังไงแล้วตัวเองไปเมาเองไปยังไงตัวเองก็บางทีก็มองไม่เห็นเหมือนกันแต่ผู้ที่อยู่รอบข้างเราอย่างลูกหลานสาปีภรรยาเนี่ยถ้าเห็นเข้าไปแล้วก็อักกวนแต่ไม่รู้จะทำยังไงเพราะสิ่งเหล่านี้ในพรรษานี้เราทดลองอดดูสิให้เด็ดขาดเลยไม่ดื่มของมึนเมาจะเป็นอะไรก็ตามถ้าเป็นของมึนเมาจะเป็นเบียร์เป็นเหล้าเป็น คัญชา ย, ยาฝิ่นเฮโรอีนอายาบ่งยาบ้างดหมดว่า ง, งั้นเถอะถ้ามันมีไปว่าของมึนเมาแล้วก็บุหรีงดอีกนี่แหละในพรรษานี่ทำได้ไหมแล้วก็พร้อมกันก็รักษาให้ใส่บาตททำบุญพุกวันได้ไหมการทำบุญบางคนก็บอกโอ้พูกค่าค่าพระเจ้าตื่นไม่ทันนอนตื่นสายเพราะการงาน ใส่บาทแล้วบางทีก็ไม่มีพระมาบิณฑบาตอีกต่างหากจะทํำยังไงอันนี้ก็หลวงพ่อเคยแนะคืะอว่าเออเราเคารพนับถือครูบาอาจารย์องค์ไหนวัดไหนอย่างพวกเราเคารพหลวงตาอย่างนี้เออวันนี้จะทําบุญกับหลวงตาทําบุญกล้วยหอมใบนึงใบละกี่บาทย้อนกระปุกลงไปวันนี้ทําบุญหลวงตานมหนึ่งกล่องกใส่ย้อนกระปุกลงไป ถ้ออกพรรษาแล้วย่งค่อยเอาไปถวายหลวงตาอันนี้แหละคือทําบุญกับหลวงตาล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลทางว่าพวกเราฉลาดในการทําบุญนะทางว่าพวกเราไม่ฉลาดอยู่เป็นวันๆไปก็มีแต่ไม่มีเวลาไม่มีโอกาสมันไม่พร้อมไม่มีพระไม่มีสิ่งที่จะทําบุญนะอันนี้ก็มันกระสุดแท้แต่พวกเราท่านทั้งหลายอันนี้คือการทําทานนะชวนรักษาศีลทีนี้ ในพรรษาในข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าทุกวันอาทิตย์เราว่าทุกวันพระอทุกวันเสวนาอาทิตย์หรือตลอดไตรมาสสามเดือนอย่างเนี้ยเราจะรักษาได้ไหมอายุของเราถึงปุนนี้แล้วข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์ข้าพเจ้าจะไม่ขโมยของคนอื่นโดยเจตนาข้าพเจ้าจะไม่อประพฤติผิดในกามข้าพเจ้าจะไม่โกหกใครอ ข้าพเจ้าจะตั้งใจไว้อยู่เสมอว่าข้าพเจ้าจะไม่โกหกใครข้าพเจ้าจะไม่ดื่มสุราเพียงเท่านี้ก็เป็นศีลห้าแล้วอไม่จําเป็นจะต้องมารับกับพระทุกวี่ทุกวันศีลนี่คือเจตนาวิรัตยวิรัตเจตนาคห้เข้ว่าตั้งใจจริงพอตื่นขึ้นมาเราไหว้พระเสร็จแล้วเออวันนี้ข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าเลือกข้าพเจ้าจะรักษาศีลอุโบสถเพียงแค่นั้นก็นเป็นศีลแล้วเอถึงจะมารับกับหลวงพ่อก็เถอะพอรับเสร็จแล้ว พอออกลงไปซาลาเลยกัไปฆ่ามดฆ่ายุงนี่ยกระสินมันก็ขาดอีกเหมือนกันไม่ใช่ว่าศีลหลวงพ่อเป็นศีลลวดสลิงไม่ใช่อย่างนั้นนะขาดได้ว่างั้นเถอะคือเจตนาของเราในเป็นหลักเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าไปคิดว่าข้าพเจ้าต้องรับจากพระสะก่อนจึงเป็นศีลไม่ใช่นะควรทําความเข้าใจใหม่คือเจตนานั่นแหละเป็นหลัก พอเราจังเจตนาตอนเช้าตื่นขึ้นมาเข้าไปเจ้าจะรักษาอุโบสถเนี่ยจะเป็นศีลอุโบสถอุโบสถคือรักษาศีลแปดรักษาศีลห้าก็คือศีลห้าข้อนะอย่างพระโพธิสัตว์ที่ท่านไปลอยคออยู่ในทะเลพอเห็นพระอาทิตย์กําลังจะตกพระจันโผล่ขึ้นมาเนี่ยท่านก็ยังเออวันนี้เป็นวันอุโบสถเราเราจะรักษาอุโบสถศีลเพียงเท่านั้นท่านทําความ อาดปากของท่านบ้วนน้ําทะเลทิ้งนะก็ทำความสะอาดปากจากนั้นก็ท่านจงตั้งจิตอธิษฐานก็ยังเป็นศีลในทะเลเอมนี่แหละศีลมันไม่รักษาไม่ยากนะถ้าคนรู้จักวิธีการรักษาแนละ้ไม่ยากแต่คนไม่รู้จักรักษาศีลเท่านะัต้องไปหาพระซะก่อนต้องเกาวคําอัลาธนาซะก่อนจากนั้นพราให้ศีลซะก่อนเ อ, อพอรักษาศีลไปแล้วก็ได้แต่ชื่อว่างั้นแต่แต่ไม่รู้จักรักษาเพราะนั้น สินในพรรษานี้พวกเราควรจะรักษานะอและตั้งจิตอธิษฐานกับเนี่ยหลวงพ่อพระพุทธอุดมมงคลพระพุทธปฏิมาเนี่ยที่พระประธานของหลวงพ่อเนี่ยแล้วก็วันที่ยี่สิบแปดที่ผ่านมาหลวงพ่อก็ได้บรรจุพระพรมสารีลิขทัดบนเสียรพระแก้วโดวยเสียรพระประธานด้วยนะเพราะนั้นพวกเรากราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราตั้งจิตอธิษฐานในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะงด อะไรงดเล่นการพนันงดเอาไว้จะมุกทุกอย่างแล้วก็จะมีศีลห้าจะไหว้พระทุกวันอแล้วก็มากกว่านั้นหลวงพ่อว่านะทุกวันนี้พวกเราห่างเหินจากพ่อจากแม่นะหลวงพ่อเน้นเขาอีกข้อหนึ่งว่าในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะไปกราบพ่อแม่ทุกวันอาทิตย์อย่างนี้หรือว่าเราจะไปกราบพ่อแม่พ่อตาแม่ยายหนึ่อาทิตย์ อาทิตย์ต่อมาเราจะพาลูกพาพัญญาไปกราบพ่อแม่ของเราคือสลับกันนะทุกทุกเสาร์อาทิตย์ในพรรษานี้ไม่ให้ขาดตรวงพ่อว่าก็จะเป็นสิริเป็นมงคลสําหรับครอบครัวของลูกของหลานอย่างมากเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยถึงยังไงยังไงท่านได้เห็นหน้านลูกหน้าหลานท่านก็ต่อชีวิตของท่านจิตใจของท่านก็จะได้มีความสุขขึ้นมาเห็นลูกเห็นหลานเข้ามาหา จากนั้นเมื่อเราเข้าไปหาเราก็มองเราต้องดูว่าพ่อแม่ของเราขาดตกขาดเหลืออะไรบ้างในชีวิตประจำวันของท่านที่หลับที่นอนเป็นยังไงสะอาดสะอาดดีไหมของน้ำของถ่าเป็นยังไงมีราวจับไหมอายุขนาดนี้เฮอเป็นยังไงท่านจะหกล้มไหมแล้วก็ที่อยู่อาหารการบริโภคของท่านใครเป็นคนดูแลอย่างนี้แหละคล้ายๆกัช่วยๆกัน พรเราเกิดมาจากพ่อจากแม่เราจะไปปล่อยให้คนใดคนหนึ่งพี่น้องคนใดคนหนึ่งหรือลูกหลานคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ดูแลพ่อแม่ของเราแทนเรานะไม่ได้นะต้องเป็นหน้าที่ของของเราลูกทุกคนต้องถือว่าเป็นหน้าที่ให้เป็นหน้าที่ไม่ใช่ว่าเราจะอมอบหน้าที่ให้แก่คนนั้นทำหน้าที่แทนเราไม่ได้อันนี้คือพ่อแม่นะี่ยคืออ ย, อยู่ในตัวของเราเราพิจารณาดูให้ดีสิตั้งแต่หัวจดเท้านะ่ะ เราได้มาจากใครเราได้มาจากพ่อแม่ไม่ใช่หรเอเพราะนั้นเมื่อเราใหญ่ขึ้นมาขนาดนี้พ่อแม่ได้เลี้ยงดูเรามาขนาดไหนติดเลี้ยงดูให้การศึกษาเราขนาดไหนจนเราเป็นผู้ใหญ่จนมีครอบมีครัวขึ้นมาจากนั้นเรามีหน้าที่การงานทําแล้วเราควรจะพาลูกพาภรรยาสามีเข้าไปกราบพ่อกราบแม่ของเราทุกวันอาทิตย์อย่างนี้ย อันนี้ก็เป็นสิริเป็นมงคลเป็นบุญกุศลสําหรับพวกเราแล้วก็พร้อมกันกับเป็นการปูพื้นฐานแลว้วก็ปูทางให้แกล่ลูกของเราอีกต่างหากต่อไปใหญ่ไปข้างหน้าลูกของเราก็จะยึดแนวทางของเราที่เราพาไปกราบพ่อกราบแม่เป็นสิริเป็นมงคลสืบทอดกันยาวนานทีเดียวแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้สนใจพ่อแม่ ต่อไปภายภาคหน้าเรานั่นแหละจะคิดจะร้องไห้หาลูกของเราอีกต่างหากเพราะลูกไม่มาหาเราเออจะทํำยังไงได้เพราะตัวเองก็ไม่เคยไปกราบพ่อกราบแม่ลูกของเราคนนั้น่ะยึดแนวทางของเราน่ครมุนินาวัตตีโลโกพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ครมุนีนาวัตตีโลโกน่แปลว่าอะไรกันท่านวัดสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทําไวต้ตนได้กระทําไว้คือไม่ เคยพาลูกพาเมียไปกราบพ่อกราบแม่นะ่ะและจะให้ลูกเขาจะพาลูกพาเมียเข้ามากราบเรามาหาเราได้อย่างไรเพราะตัวเองก็ไม่เคยสนใจกับพ่อแม่เนี่ยเะฉะนั้นให้พวกเราปูทางไว้เนอเมื่อได้ยินทำคําสอนที่หลวงพ่อได้บอกได้กล่าวไม่ใช่ทำคําสอนของหลวงพ่อนะั้นนี่นะเป็นทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้ระลึกถึงบุญคุณของบิดามารดา มีามนดาเป็นพระหันของบุตรธิดาเป็นพระหันนะไม่ใช่ธรรมดานะถ้าว่าใครทำถูกและเป็นบุญเป็นกุศลในจิตในใจของลูกของหลานนานเท่านานแต่ถ้าลูกหลานคนใดทำไม่ถูกแล้วนะจิบหายนะจิบหายในจิตในใจไม่เจริญไม่รุ่งเรืองทำอะไรก็ตกๆกล่นๆขาดๆเกินๆแบบนั้นแหละไม่ไปตามทำนองคลองทำไม่เจริญแบบนั้นแ ต, แต่บางคนก็บอกว่าถ้าผม พ่อแม่ของผมตายไปหมดแล้วจะทํำยังไงผมเป็นลูกกำพร้าแล้วอย่างหลวงพ่อเนี่ยอายุหกสิบปีจะให้พ่อแม่อยู่ยังไงใช่ไหมเออหลวงพ่อก็ทําเอคุณงามความดีและทําบุญไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาอุทิศส่วนเออดวงวิญญาณของพ่อของแม่เนอคุณพ่อคุณแม่เนอเอไปอยู่ในสถานที่ใดผู้ฆ่าได้สั่งสมคุณงามความดีได้ทาบุญทําทานอบุญกุศลที่ได้ พะพึ่ปฏิบัติดีแล้วนี้ข็ขอให้ดวงวิญญาณของพ่อแม่ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากผู้ฆ่าโดยเทินฮอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเมื่อมีโอกาสเราก็ทำบุญใส่บาตรจากนั้นก็จะช่วยสาธารณประโยชน์โรงพยาบาลโรงร่าโรงเรียนอะไรก็ตามเสร็จแล้วก็เราอุทิศส่วนกุศลให้พ่อแม่ของเราฮอันนี้วะในหลักของพุทธศาสนาเมื่อพ่อแม่ล่วงรับไปแล้ว ทำบุญอุทิศสวนกุศลให้ท่านนะเพราะพุทธเจ้ามาให้นิ่งดูดายอีกเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าตายแล้วเอท่นตายแล้วก็แล้วไปไม่ใช่เมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศสวนกุศลให้ท่านเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยยังเป็นของท่านอยู่นะเราคิดดูให้ดีใช่ตั้งแต่หัวจดเท้านะียังเป็นของพ่อของแม่อยู่กองทุนของท่านที่ให้มานะีะยังอยู่กับเราอยู่เดี๋ยวเนี้เพราะนั้นเราก็ต้องเอากองทุนก้อนเนี้ย พาไปสังสมบุญกุศลแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้ท่านจนกว่าชีวิตจะหาไม่ว่างั้นเับะนี่แหละอันนี้ก็คือโลกทุกวันนี้รู้สึกว่าห่างเหินจุดนี้เลื่อยๆอย่างั้นเถอะมันโลกโยุคนี้สมัยนี้มันห่างเหินไม่ระลึกถึงบุญคุณของพ่อของแม่ของบุภการีไม่เหมือนคนสมัยรุ่นเก่าแก่นะคนเก่าแก่คนจีนเเขาถือกัน แต่ทุกวันในคุณจีนสมัยใหม่เนี่ยคนไปคนละทิศละทางอีกเหมือนกันนัเนี่อคนไทยของเราเหมือนกันแต่ก่อก็ให้ระลึกถึงพ่อคุณของบิดามารดาแต่หลวงพ่อว่าเนี่ยถูกต้องนะแต่คิดดูให้ดีตามเนื้อธรรมคําสอนหรือหลักเหตุผลแล้วหลวงพ่อยังยอมรับว่าหนึ่งบิดามันดาเป็นผู้มีอุปคระคุณพวกเรามีลูกขึ้นมาเห็นไหมแต่เล็กแต่น้อยพวกเราใส่ใจขนาดไหนที่ลูกของเราจะใหญ่โตขึ้นมา เป็นคู่เป็นคนขนาดนี้แล้วเราล่ะพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาเหมือนกับเราเลี้ยงลูกของเราใช่ไหมก็ไม่น่าจะผิดเหมือนกันทั้งที่ลุงพ่อก็ไม่มีลูกลววะอะแต่ว่าจะคิดว่าการเลี้ยงลูกไม่ใช่ธรรมดาคนโบราณเขาบอกว่าสมัยก่อนนะไม่มีคนใช้เครื่องอำนวยความสะดวกก็ไม่สะดวกอย่างทุกวันนี้เขาบอกว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกแม่เนี่ เลี้ยงลูกแต่ละคนน่กว่าลูกจะใหญ่ขึ้นมาได้แม่กินขี้ลูกเท่ากําปั่นเอาทําไมคนโบราณเขาจึงเปรียบเทียบอย่างนั้นเพราว่าเวลาทําการทํางานขึ้นมาแล้วกลูกร้องห่มร้องไห้ถ่ายอุจจาระไปแม่ก็ล้างลูกขึ้นมากะมือก็ามาได้ล้างให้ดีมาได้ฟอกสบู่ให้ดีเอขี้ลูกก็ติดมือบ้างปั่นข้าวกินบ้างกินวันนั้นบ้างกินวันนี้บ้างลูกแต่ละคนกว่าจะใหญ่โตขึ้นมา กินขี้ลูกเท่ากําปั้ น, นเหาือ้นเอนคนโบราณเขาว่าอย่างนั้นนะเออเพราะว่าความสะอาดคนสมัยนู้นก็อย่างว่าไม่เหมือนคนสมัยนี้นะแต่ถึงยังไงคนสมัยนะั้นเขาก็รักลูกของเขาเออถ้าไม่รักลูกคงจุดศูนย์พันเป็นนานแล้วว่างั้นจะมนุษย์นะเนี่ยอไม่ว่าสัตว์ที่รชหมูหมากาไก่อะไรมันเห็นไหม ถึงจะเป็นไก่ป่าก็เถอะทั้งที่กลัวคนแสนกลัวถ้าคนไปใกล้ลูกมันโอ้โหมันหวงมากๆเลยเหตุยังไก่บ้านก็ยิ่งแล้วใหญ่ถ้าคนหมาอะไรคนไปใกล้เนี่ยเออกระโดดเตะคนอีกต่างหากนะเห็นไหมอันนี้แหละมันหวงลูกของมันพ่อแม่ของมนุษย์ก็เหมือนกันบางคนเกิดรักลูกโอ้โหยิ่งกว่าชีวิตอีกต่างหากพวกลูกเป็นไรนิดหน่อยเท่านั้นนะเออเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะฉะนั้นพวกเราให้ระ ล, ลึกถึงหัวอกของพ่อของแม่เรา เมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วก็ควรจะสนองจะให้ท่านอากงหนักใจกับเราถ้าเราเป็นทำหน้าที่การงานไหนก็ทําให้ดีที่สุดให้คิดถึงว่าเออทางว่าพ่อแม่ถ้าตัวเราทําไม่ดีอย่างนี้พ่อแม่ก็คงจะเสียใจนะถ้าพ่อแม่ของเราได้ได้รู้ได้เห็นการกระทําของเราแพวกนั้นพวกเราควรจะระลึกถึงพระคุณของบิดามารดาถ้าทําได้อย่างนั้นหลวงพ่อมีแต่ความเจริญเลอไม่มีความเสื่อมหรอก แต่ถ้าว่าทาําตามอําเภอใจทําตามอัธยาใจอยากจะทําอะไรก็ทําผิดถูกไม่ได้คิดไม่ได้อ่านอันนั้นเป็นหุนทางแห่งความกิบหายหลวงพ่อว่านะเพราะนั้นในพรรษานี้อย่างที่หลวงพ่อได้แนะนําเลยว่าได้กล่าวหรือจะว่าหรือจะอีกแบบนึงก็ขอบินทบาทเหมือนกันถอะบินทบา ท, บ ท, บาทกับสัตยา ญ, ญาติโยมให้ช่วยช่วยกันทั้งเหล่าทั้งบุรีแล้วก็ให้เป็นคนดีแล้วก็ให้ พร้อมกันและลึกถึงบุญคุณของพ่อของแม่ให้ไปกราบพ่อกราบแม่ล้วนแล้วแต่เป็นบุญเป็นกุศลใส่จิตใส่ใจของพวกเรานะ่ะโลกทั้งโลกถ้าพวกเรามีน้ําจิตน้ําใจต่อกันมีความเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อวงสาคณาญาติต่อพ่อแม่ต่อลูกต่อสามีภรรยามีแต่น้ําจิตน้ําใจต่อกันความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในชุมชนสังคมของเราแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นนะ และกับค้อมกันอย่าลืมนะถึงจะทําดีขนาดไหนชีวิตของพวกเราก็มีจุดจบไปพูดจุดนี้ไอ้อันนี้ไม่ใช่ขู่กันมันงั้นเออไม่ใช่เอาความตายมาขู่กันบางคนก็ว่าหลักของพุทธศาสนาเอาความตายมาขู่กันเอากรรมมาขู่กันไม่ใช่เอาความจริงมาพูดให้กันฟังฮะืพูดอย่างนั้นจะถูกกว่าเออไม่ใช่เอามาขู่เอาความจริงมาพูดให้กันฟังเหมือนกับเราไปเห็นเสือเออเราจะไปนะ จุดนะั้นอะมีเสือนะระวังนะอถ้าไปก็ต้องเตรียมพร้อมนะเสือนะ อ, อันนี้ก็เหมือนกันนะอชีวิตของพวกเราตายแน่ๆนะไม่เป็นอย่างอื่นนะก่อนที่จะตายนะี่ยเตรียมพร้อมนะฮะหลักของพุทธศาสนาว่าตายแล้วไม่สูญ น, นะตายแล้วเกิดอีกนะควรสังควรสังสมคุณงามความดีไว้นะควรสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจไว้นะออันนี้คือเตือนกันเอาไว้ถ้าถึงจุดนั้นมาแล้วนั่นแหละถ้าไม่มีใครเตือน ผลในสุดพอถึงจุดจบมาคว้าหน้าคว้าหลังเขาแนะนำอะไรทำหมดทุกอย่างเขาให้กินขี้หมาก็กิ น, นเหมือนนเพราะเหตุอะไรพวกะกลัวตายแต่มันก็ไม่พ้นหรอกกินถึงจะกินขี้หมากมันก็ไม่พ้นตายแต่คนมีธรรมไม่แหละถึงคราวแล้วเหรอถึงข ร, ราวแล้วก็ไปสิคนทั้งโลกเขาก็ตายกันทั้งโลกนะเราจะไปอยู่ค้ำฟ้าได้ยังไงถึงขาวของเราเราก็ไปสิชีวิตของเรา เกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายจะไปที่ไหนได้ฮะอันนี้ค้าๆมันปรองวางอยู่ที่จิตที่ใจมันเข้มแข็งอีกต่างหากนะถ้าเราพิจารณาถ้าเรามีคุณธรรมในจิตในใจแล้วถ้าคนไม่มีธรรมในใจก็อย่างที่ว่าน่ะเขาแนะนําอะไรทําหมดเออให้กราบอะไรก็ทําหมดให้ทําอะไรก็ทําหมดเพราะอะไรเพราะกลัวตายแต่ตามไม่จริงจะไปอยู่ที่ไหนได้เพราะนั้นให้สั่งสมคุณงามความดีให้สั่งสมบุญกุศลไวนะ้หน้า อย่ตั้งอยู่ในความประมาทมีจุดจบแน่ๆชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายหลวงพ่อย้ําแล้วย้ําอีกว่าอยอมมาทูตพอเกิดมาเขายมมาทูตเขาเขียนวีซ่าไปให้แล้วะวันดีคืนดีเขาก็ส่งมาให้เราแต่มั่ก่อนหลวงพ่อก็ไปส่งหลวงปู่เพียรขึ้นเมนนะเห็นไหมส่งขึ้นสนามบินแล้ ว, วงั้นเถะหายเงียบไปละคํวาว่าหลวงปู่เพียรไม่เห็นอีกแล้วว่างั้นะท่านไปต่างประเทศแล้วอนี่ก็เหมือนกันนะ่ะ อีกสักวันต่อไปภายภาคหน้า ห, หลวงพ่ออินเนี่ยเขาก็จะส่งขึ้นเอเครื่องบินอีกเหมือนกั น, น่ะไปต่างประเทศอีกพวกเราทุกคนอ่ะที่นั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยะจะต้องเดินทางต่างประเทศไม่รู้วันไหนล่ะเพราะฉะนั้นพวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทถ้าเดินทางต่างประเทศไปต่างประเทศมีเงินเต็มกระเป๋าล้วจะไปที่ไหนก็ไปเถอะนะไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องทุกอกทุกใจแต่ถ้าว่าเงินของเรากระเป๋าแห้งหอส่งขึ้นเครื่องนั้นนั่นล่ะ เหลียวหน้ามองหลังงกงกังกโงกงักเลยทีนี้เพราะเหตุไรไปทางหน้านี่ต้องทุกต้องจนแน่แน่ไม่มีอันจะกินแน่แน่เพราะเหตุไรเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไม่ได้สั่งสมบุญกุศลคนที่มีบุญกุศลนั่นอะไปณสถานที่ใดถึงจะไปข้ามภพข้ามชาติามันมีแต่ความสุขความสบายใจแต่ถ้าว่าคนไม่ได้เตรียมพร้อมกรอย่างว่าเหมือนกันนั่นอะเหมือนกับคนไม่มีเงินกับคนไม่มีบุญก็คือคนไม่มีเงินนั่นแหละ คือวิญญาณเหมือนเหมือนกันนะบุญกับเงินเนี่ยเหมือนกันเราสั่งสมบุญกับเพื่ออนาคตเราสั่งสมเงินกับเพื่ออนาคตนะเราเก็บหอมรอมริบวันนี้เพื่ออะไรถ้ามีแต่วันเดียวชนิดเราก็ไม่จนแต่วันพรุ่งนี้มันลืนนี่แหลอถ้าเราไม่ตายง่ายเราเก็บไข้ได้ป่วยเราจะใช้อะไรเราก็ต้องได้อาศัยที่เราเก็บหอมรอมริบตั้งแต่วันวานมันก่อนอันนี้ก็เหมือนกันนะ่ะถ้าเราไม่เตรียมพร้อมเอาไว้น เราไม่มีบุญเตรียมพร้อมเอาไว้ถ้าว่ามีพบมีชาติต่อไปภายภาคหน้านะ่ะเราต้องจนแน่นะเพราะหลักของพุทธศาสนาเนะี่ยบุญกุศลเท่านั้นแนหะจะเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนพอกเราปุญญานิปัลโลกัสมิงบัติฐาหนิปานิหนังบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้าเท่านะั้นนะเออเอาตอนนี้ไปแล้วพอนะนีนะ